วันนี้จะได้แสดงเรื่องหมาก ร, ร ม, มวิพังกระสตรต่อจากที่ได้พูดมาในวันก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งถึงความละเอียดลึกซึ้งแห่งหมาก ร, ร ม, มวิพังแล้วพระนรเทระก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงจำแนกเรื่องของกรรมออกไป พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงจำแนกกรรมออกไปเป็นสี่พวกด้วยกันปีข้อความโดยสรุปว่าบุคคลที่ทำบาปรกรรมคืออกุศลกรรมบท10สิบประการมีการฆ่าสัตว์เือชืงอสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดทางประเวณีพูดเช็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ โลภอยากได้ของของคนอื่นพยาบาทปอง n รายคนอื่นได้เห็นผิดจากทํานองครองธรรมในปัจจุบันตายแล้วไปบังเกิดในทุกติก็มีทุกติวินิบาตโรกอสุรกายบุคคลประเภทที่สองคือทำแบบ ป, ประกรรมอกุสลทั้ง10ข้อดังที่กล่าวแล้วในปัจจุบัน ตายแล้วไปบังเกิดในสุกติก็มีบุคคลประเภทที่สามคือประกอบด้วย ก, กุศลกรรมบท1ิประการมีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่รบพิษในทางประเวณีพูดคำสัตว์คำจริงคำเสริมสร้างสามัคคีคำไพเราะอ่อนหวานคำมีประโยชน์ไม่โลภอยากได้ของของคนอื่นไม่พยาบามปองร้ายใครและเห็นชอบตามตานองครองธรรม ตายแล้วไปบังเกิดในสุคติก็มีบุคคลประเภทที่4คือประกอบด้วยกุศลกรรมทั้ง10ประการนั้นเช่นเดียวกันแต่ตายแล้วไปบังเกิดในทุกขติก็มีซึ่งข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปัญหาในลักษณะที่น่าข้องใจมันก็มีอยู่ในข้อ4กับข้อ2กับข้อ4คือเหตุกับผลคล้ายๆจะขัดแย้งกัน แต่พึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าปัจจุบันหมายความว่าพฤติกรรมของเขาที่ปรากฏให้เห็นแก่ตาของบุคคลอื่นในปัจจุบันบุคคลประเภทที่สองก็คือทําความชั่วคุณง่ายมาทําความชั่วในปัจจุบันตายแล้วไปบังเกิดในสุคติก็มีบุคคลประเภทที่4ทําความดีในปัจจุบันตายแล้วไปบังเกิดในทุกคติก็มีซึ่งเป็นภาวะที่ขัดแยงระหว่างเหตุกับผลแล้วก็ทรงแสดงว่า การที่บุคคลบางคนมีสมาธิจิตแก่กล้าสามารถระลึกได้หรือมองเห็นการจุติการอุบัติของสัตว์ต่หงาได้ด้วยที่ปจักษุศู์มีการกล่าวยืนยันโดยนัย่ที่พระองค์แสดงไว้ในข้อที่หนึ่งก็ทรงอนุโมทนาว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าไปปักใจลงไปว่าคนที่ทำความชั่วในปัจจุบัน ตายแล้วไปบังเกิดในทุกติโดยส่วนเดียวพระองค์ไม่อนุมัติคือไม่ค่อยตาในข้อที่4ี่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าเขาบอกว่าข้อที่สามคือถ้าเขาบอกว่าคนทำความดีในปัจจุบันตายแล้วไปบังเกิดในสุกติโดยส่วนเดียวคือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระองค์ก็ไม่อนุมัติเพราะอะไรเพราะว่า มันมีความสลับซับซ้อนในเรื่องขั้นตอนของกรรมคือเรื่องของกรรมนั้นพึงเข้าใจว่าได้แก่เจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจของเราจะประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลก็ตามมันเป็นกรรมมาตั้งแต่ภายในใจแล้วคือเป็นมโนกรรมมาภายในใจนะครับต่ออกมาทางวาจาก็เป็นวาจีกรรมต่ออกมาทางกายก็เป็นกายกรรมไปการจะเป็นบาปเป็นบุญนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา ที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้าเจตนาเป็นกุศลตลอดสายได้มันก็เป็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเป็นอกุศลตลอดสายมันก็เป็นได้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนื่องจากเกิดขึ้นได้แม้ภายในใจเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดความสับสนคือไม่ค่อยตรงตัวอย่างในข้อที่2กับข้อที่4นั่นทรงแสดงมาโดยลำดับตั้งแต่ข้อแรก ว่าการที่คนซึ่งทำความชั่วตายไปเกิดในทุ ก, กตินั้น<ม>เนื่องจากความถี่ยิบความละเอียดของกรรมคนเหล่านั้นอาจจะเกิดเพราะปัจจุบันกรรมที่เขากระทำอยู่ก็ได้และอาจจะเกิดจากวิชาทิฐิที่รุนแรงคือจิตใจเศร้าหมองขึ้นในก่อนจะดับก็ได้มันก็ไม่แนแ่เราจะไปเล็งเฉพาะปัจจุบันกรรมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าแวบเดียวก่อนที่จะดับจิตนี้ จิตมันเกิดมีอกุศลขึ้นมารุนแรงแล้วลึกถึงกรรมเหล่านั้นขึ้นแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดในจุกติเพราะงั้นกรรมที่ทรงจําแนกในชั้นของการให้ผลตามความหนักเบาจึงจําแนกไว้เป็น4ประเภทประเภทแรกเรียกว่าคารุกกรรมคือกรรมหนักมันมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลควายกุศล ก, ศ ก, ศก็คือฌานพวกฌานที่เกิดขึ้นจากการทําสมาธิเนี่ย คนนี้ลงตัวคือถ้าใครได้บรรลุตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปฌานไม่เสื่อมเนี่ยจะเกิดในพรหมโลกตามกําลังของฌานลงตัวเลยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพวกนี้พูดลงตัวได้แต่ถ้าหากฌานาเสื่อมไม่รับรองนะฮะแก ต, ต้องมีข้อแม้ว่าฌานไม่เสื่อมแล้วก็ได้บรรลุฌานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องเกิดในพรหมโลกตามสมควรแก่ความประณีตของฌานแล้วก็เป็นชั้นชันไปเป็นรายละเอียดมาก กรรมที่เป็นบาปฝ่ายอกุศลพวกนี้ลงตัวไหมกันคือแน่นอนว่าไม่มีการเปลี่ยนคติพบเลยได้แก่อนันตเดกรรม5้าประการมีการฆ่าสัตว์แต่มีการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ถึงฆ่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าใครฆ่าตายไม่ได้คือให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าในหมู่ชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าจะไม่ถูกฆ่าตายแล้วจะไม่มีใครทําให้โลหิตออกจากร่างกายได้ ไม่ว่าจะดำรงพระชนอยู่สักกี่สิบปีก็ตามนี่คือลักษณะเรียกว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเทวทัศเคยกลิ้งหินลงมาหน่อยหนึ่งก็ข้อพระโลหิตแล้วก็คืนเดียวก็หายจะยุบหายไปไหนเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งกอเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะ ง, งั้นพระพุทธเจ้าเนี่ข้อสําคัญว่เพียงแต่ว่าทําให้ข้อพระโลหิตเท่านั้นถือเป็นอ น, นันตกรรมแล้วก็ทําสงให้แตกกันที่เรียกว่าสังกเภทถ้าเป็นวิสุทธจะเพิ่มขึ้นไปอีกข้อหนึ่ง คือไปถือศาสนาอื่นทั้งครองเพศเป็นภิกษุถ้าศึกไปไม่ว่าอะไรนะฮะคือบาสกบาติกาเนี่เงื่อนไขาทางศาสนาไม่ได้ไปผูกพันนะใครสมัครจะไปนับถือศาสนาไหนก็ได้ทำใจจะทําทลายพระัตนาใจาไปนับถือศาสนาอื่นเขก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าเป็นพระแล้วยังเป็นพระอยู่ไปนับถือศาสนาอื่นเขาเรียกว่าอัญญะสตุเชตถือศาสนาอื่นเป็นอนันตดีกรรมเป็นอภิฐานคือฐานะที่หนักยิ่งพวกนี้ตกนรกเด็ดขาดเลย คติไม่เปลี่ยนแปลงเพราะงั้นในข้อที่หนึ่งจึงยืนยันได้อย่างนี้ยืนยันได้ในกรณีพวกนี้นะแต่ในบางกรณีซึ่งกรรมมันลดหลั่นลงมาเช่นพวกพวุลกรรมคือกรรมที่นอกจากกรรมที่ว่าแล้วนะคือกรรมมันหนักพอสมควรเช่นว่าอาจจะฆ่าคนหรืออาจจะฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์มีคุณเป็นต้นในกรณีที่เป็นบาปตัวนี้ก็จะให้ผลกรรมขอาก่อ น, ก, นก็เปรียบเหมือนกับการทิ้งของลงมาจากที่สูง จะเห็นว่าของอะไรที่หนักที่สุดแกก็จะตกถึงพื้นก่อนเรื่องกรรมก็เหมือนกันอกรรมหนักที่สุดแกจะให้ผลแก่ก่อนแต่ถ้ากรรมประเภทหนักอย่างที่ว่าทั้งฝ่ายกุศลและกุศลไม่มีกรรมประเภทที่สองแกก็ให้กรรมประเภทที่สามเรียกว่าอาจินนกรรมคือกรรมทําจนเคยชินเล็กๆน้อยๆก็ทำเรื่อยแต่มันหมักหมมสะสมคือทั้งดีไม่ดีนะฮะหมายถึงว่าทั้งดีไม่ดีแกหมักหมมสะสมขึ้นมันก็เพิ่มคูนขึ้นเป็นกองกรรมใหญ่ได้ พวกนี้ถ้ากรรมประเภทที่สองไม่มีแกจะให้ผลแต่มันมีตัวแปรที่สําคัญอยู่ตัวหนึ่งคืออาสันนกรรมกรรมเมื่อเราจะตายนะตัวนี้เป็นตัวแปรที่ใหญ่มากนอกจากกรรมประเภทแรกอย่างที่ว่าแล้วแกพร้อมที่จะแปลหมดเลยแต่กรรมประเภทแรกแกแปลไม่ได้นะฮะหมายความมรรคติมันแน่ไปแล้วกรรมประเภทนี้เรียกว่าอาสันนกรรมคือเมื่อจวนจะตายที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คาว่ามีวิชชาทิฐิเกิดขึ้นก่อนดับ ก่อนดับจิตก็ตกนรกหายไปเพราะอะไรเพราะว่าทรงมีหลักอยู่ว่าถ้าจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุ ก, กติแต่จิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าเกิดในทุกกะจิตแต่ yeah. ไม่ใช่จิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปเกิดในสุ ก, กติจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าเกิดในทุ ก, กตินี้เป็นหลักเพราะงั้นจิตก่อนจะดับนี่จึงถือว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญแล้วก็ตัดกระแสกรรม อย่างอื่นสองข้อข้างบนได้นะ่ะนอกจากข้อแรกคือแกจะให้ผลจะก่อนในขณะนั้นซึ่งท่นอุปมาว่ามันเหมือนกับเราจับโคไปขังไว้ในค้อเวลาเปิดประตูข้อแม่โคขากับเพกก็ตามแต่มันอยู่ติดประตูข้อพอดีมันออกได้ก่อนมันออกได้ก่อนคนอื่นเขาขามันจะกระเพกคือคือเรียกว่าวาทีจริงแรงมันก็ไม่มากหรอกแต่เนื่องจากแกอยู่ติดประตูแกออกก่อนต่อไปก็โคตัวอื่นก็ทยอยออก ลักษณะกระบวนการของกรรมจงอุปมาว่ามันเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อมันตามกัมันด้วย อ, อะไรที่แรงกว่ามันมันก็วิ่งเร็วกว่ามันก็ทันก่อนซึ่งแน่นอนว่ากรรมที่เราทําในปัจจุบันถ้าไม่แรงกรรมอดีตที่แกแรงแกวิ่งแซงแนมาได้แกให้ก่อนแกให้ก่อนได้ก็เหมือนกับสุนัขไล่เนื้อมันก็อยู่ที่ตัวไห น, ไหนแกมีแรงมากแกก็วิ่งได้เร็เรวกว่าแรงของกรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเนื่องจากเนื่องจากรการรมมันวิ่งไล่กันมาอย่างเนี้ย แล้วก็มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเพราะงั้นอาการที่จะพูดโดยธรรมดาไม่ยืนยันนะฮะไม่ยืนยันในทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยคือพูดในลักษณะที่ครอบคลุมโดยเถื่โดยทางเนื้อหาเพราะอะไรเพราะว่าเหตุกับผลจะไม่ขัดแย้งกันเมื่อทําดีผมก็ต้องดีทําชั่วผมก็ต้องชั่วแต่ในกรณีนี้ก็ยังยืนหลักเดิมนั่นเองแต่ว่ากรรมชั่วมันเกิดซ้อนขึ้นมาในตอนนั้นหรือกรรมในอดีต ใช่ไหมการได้ไปเกิดในอบายสมบพคนประเภทที่หนึ่งคือประพฤติอกุศลกรรมบทตายไปเกิดในอบายนั้นอาจจะเกิดเพราะอาดีตกรรมที่เป็นบาปก็ได้อาจจะเกิดเพราะปัจจุบันกรรมก็ได้อาจจะเกิดเพราะมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นในขณะดับจิตก็ได้คือมันไม่อยู่สามกรรมสามช่วงของกรรมเพระาะฉะนั้นอาการจะไปพูดยืนปักลงไปเลยว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่นี ไม่ใช่พุทธญาณพระพุทธเจ้าจะไม่ยืนยันในลักษณะนั้นถ้ายืนยันก็พูดกันเป็นรายรายไปพูดรายรายเนี่พูดได้แต่ถ้าพูดยืนยันลงไปทีเดียวว่าถ้าคนทําชั่วในปัจจุบันแล้วตายไป ต, ไปตกนรกหมดเนี่ยไม่แน่เสมอไปเพราะบางที ก, รรกุศรัทธาแกตา ม, มาแกเกิดให้ผลในก่อนเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นในก่อนจะดับแจะทําไงมันก็กดที่เราพูดมันก็ผิดหมดเลยนี่คือมหากรรมวิพังกสูตรที่ทรงจําแนกให้เห็นว่า การพูดอะไรไปปักลงไปเลยที่บาลีท่านใช้คําว่าสัจจังอภิณิเวสะอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการพูดในลักษณะที่ขาดปัญญาขาดเหตุผลการที่บุคคลประเภทแรกทําอกุศลกรรมบดอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเวลาพูดธรรมดาเนี่ยจะใช้อกุศลกรรมบด ก, บกุศลกรรมบ ด, ดจําให้แม่นกันเลยกันนะจะใช้อยู่เนี่ยสองชุดเนี่ยใช้มากที่สุดเลย เพราะอะไรพระถ้าหากว่าเราลองดูให้ดีนะครลองดูให้ดีว่าการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการมนั้นก็คือมิจฉากรรมันตะการงานผิดในองค์มรรคการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลก็เป็นมิจฉาวาจาโลภะโทสะโมหะคือโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทฟ้องร้ายคนอื่นเห็นผิดจากทํานองครองธรรมในชั้นอกุศลกรรมบุระดับนี้ แต่ว่าชั้นที่มันประณี่ขึ้นไปเราจะเห็นว่าคือโลภกรลงโลภโกรลงไปเรื่อยเลยมันละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปพอจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานไอ้พวกกิเลสสามกองนี่มันหมดเพราะงั้นจึงพูดถึงตรงนี้มากแต่ในชั้นสินธรรมจัญญาจะพูดเพียงธรรมดาว่าโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นผิดจะทำนองครองตามคือไม่ถึงกับว่าไม่โลภหรอชาวบ้านมันก็ต้องโลภไปบ้างมาเดียวอดข้าวแต่ว่าไม่ถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่นเท่านั้นเอง ในข้อที่สองที่ทรงแสดงว่าประพฤติอกุศลอกุศลกรรมบุนะแต่ว่าตายไปบังเกิดในสุคติซึ่งเรามองดูว่ามันก็ขัดแยง้งเพราะเหตุเป็นอย่างหนึ่งทำไมผลเป็นอย่างหนึ่งที่จริงเหตุกับผลยังไม่เคยขัดแย้งนะฮะแต่โดยด้วยเงื่อนไขยอย่างที่ว่ามาแล้วว่าการที่แกไปบังเกิดในสุคติทั้งๆ ท, ท, ที่ปัจจุบันซึ่งปรากฏเนี่ยแกก็ทาบาปทากรรมทาอกุศลไม่แยะ ตายมันน่าจะลงตัวนะฮะเป็นไปบังเกิดในทุกขติลงตัวแต่ไม่แม่ไม่แน่เสมอไปคืออาจจะมีกุศลกรรมที่มาหาศาลก็ได้ไล่มันแล้วก็แสงมาให้ผลมาเป็นชนกกรรมคือมาแต่งให้เกิดมาแต่งให้เกิดเพราะงั้นการเกิดในคราวแรกแกอาจจะเกิดดีด้วยอํานาจของกุศลกรรมในอดีตที่ตามมาให้ผลก็ได้หรือเกิดขึ้นเพราะสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในก่อนดับจิตก็ได้ ทั้งที่กรรมตัวกลางมันเป็นอกุศลนะฮะแต่ว่าตัวหลังมันเป็นกุศลแล้วตัวหน้ามันเป็นกุศลตัวหน้าก็ให้ผลก่อนหรือตัวหลังแทงมาให้ผลก่อนก็ได้แล้วก็ไม่แน่เสมอไปถ้าว่าเป็นรายๆก็สงแสดงเป็นรายๆแต่ถ้าพูดในลักษณะจําแนกกรรมจะจําแนกในลักษณะนี้ทีนี้สมมติว่าในกรณีนี้นะฮะในกรณีที่คนคนนี้ทําอกุศลเอาไว้ แล้วแก่เกิดในสุกติด้วยอํานาจของกุศลกรรมในอดีตหรือในขณะดัจิตที่เรียกว่าเกิดสมาธิติดขึ้นในขณะดับจิตถ้าเรามองดูขบวนของกรรมที่สงแสดงอีกชุดหนึ่งคือมันมีชนกกรรมกรรมที่แต่งให้เกิดแต่งให้เกิดตามกําเนิดตามสกุลต่างๆแล้วต่อไปมันจะมีอุปธรรมภกกรรมคือกรรมที่เข้าสนับสนุนหมายความกรรมนี้จะเป็นพวกเดียวกันนะ แต่งให้เกิดมาดีก็สนับสนุนให้ดีแต่งมาเกิดไม่ดีก็สนับสนุนให้เร็วลงไปลักษณะที่เคราะหร้ายไข่รุมบุญมาวาสนาช่วยมันจะมีลักษณะอย่างนั้นบางคนก็ไปเอาฉิวบางคนก็ยิ่งตามหนักขึ้นไปอีกแต่มันจะมีอีกกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าอุปคาตกรรมหรืออุปเฉตตกรรมที่แกจะเข้ามาตัดมาเข้าตัดสมมติว่าคนที่เกิดขึ้นด้วยกุศลกรรมแต่ว่าปัจจุบันนี้กระทากรรมดีมาก ชาตินี้สมมติปรชาชาตินี้ทำกรรมดีมากพอก่อนจะตายเกิดกุศ ล, ลกรรมในอดีตมาเป็นชนก ก, กรรมคือส่งให้เกิดเทีหรือสมาธิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปส่งให้เกิดเทีไอกรรมที่ปัจจุบันซึ่งเป็นกรรมชั่วเนี่ยมันจะเข้าไปตัดมันจะเข้าไปตัดคนพวกนี้คือจะทําให้มีลักษณะยังไงสว่างมาแล้วมืดไป สว่างมาแล้วมืดไปคือเกิดมาอาจจะดีมีฐานะทางสกุลดีอะไรแต่ไรดีแล้วมันป ร, รรมนี้เข้ามาตัดเราจะเห็นว่าบางทีคนก็หล่นวูบลงมาเลยข้างล่า ง, นะ ท, า ง, ท, างทั้งๆที่ฐานะทางสกุลฐานะทางทรัพย์สินอะไรแต่ไรดีแต่ว่ากรรมมันเกิดมาตัดอุปเฉกรรมคือในกรณีนี้แกก็ต้องเป็นอกุศล น, นะฮะแกก็ต้องเป็นอกุศลคือเข้ามาตัดทําให้คนอยู่ในประเภทที่ส่งแสดงว่าสว่างมาแล้วมืดไป ออประสบความตกต่มในด้านต่างๆจะอาจจะออกมาในรูปของโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมาบั่นทอนสุขภาพพลานามยรรายอะไรรต่างๆส า, ๆ า, ๆาๆราพัดก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นนี่คือความไม่ตรงตัวของเรื่องเหล่านี้ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าบุคคลบางคนอย่างในอย่างในกรณีข้อที่สองนี่มีคนเป็นอันมากที่ท่านเล่าไว้ในอัติถาอย่างมัถกุลตลี พ่อของแกนั้นเป็นพราหมจันนีเขาเรียกว่าอทินนาภุ ป, ปกะคือไม่เคยให้อะไรแกใครเลยแม้ขนาดว่าลูกเจ็บเนี่ยคือไม่คือไม่ใช่ลูกเจ็บตอนทําตุ้มหูให้ลูกมาถากุตลีไปว่าตุ้มหูเกลี้ยงนะคือคือไม่มีลวดลายอะไรเลยเพราะพ่อทำเองพ่อไม่ได้ช่างทองก็อยากจะทําทตุ้มหูให้ลูกแต่กลัวจะเปลืองสตางก็เลยก็หาไ อ, ไอ้ทองเหลืองมาทำเอาเองก็ให้ลูกแผลนกเรียกว่านายตุ้มหูเกลี้ยงเพื่อนเขล้อลูกเจ็ดสีแผลนตุ้มหูเกลี้ยง พ่อไม่ยอมให้คบหาสมาคมกับบัณฑิตกับพระสงฆ์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้เปเฝ้าพอลูกป่วยขึ้นมาจะรักษาก็กลัวจะเปลงองตังค์ก็ไป่ได้ถามหมอเออคนป่วยอย่างนี้รักษาด้วยยาอะไรก็ไมถามเขาเรามาปรุงยาเองรักษาเองเพื่อประหยัดและในที่สุดลูกมันก็ป่วยหนักข้าหนักข้าพอเห็นว่าลูกจะป่วยก็จะตายก็ยิงก็หามาไว้ข้างนอกกลัวคนจะมาเยี่ยมศพและจะเห็นทัพทุ่มบัติในบ้าน เลยเอาลูกมาวางไว้ข้างนอกพระพุทธเจ้าตัวดูสัตว์โดกเห็นปรากฏในข่ายปรพยายช่วยได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตอนนั้นก็เต็มทีแล้วแกก็นอนหันหลังเข้าฝาพระพุทธเจ้าก็ทรงฉายสับพันธังสีไปกระทบที่ฝาแกก็เห็นแสงแกก็หันกลับมาพอเห็นเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยกมือไม่ได้ยกมือไหวไม่ได้นะโคมา่านะบอกว่าเราทาั้งๆได้อยู่ใกล้แต่ว่าเพราะพ่ อ, พอ ป้องกันเอาไว้ไม่ได้เฝ้าหรวงพุทธเจ้าตอนนี้เสด็จมาโปรดแม้แต่มือจะยกขึ้นถวายบังคมก็ทําไม่ได้ประทับจิตเรื่องสายอย่างเดียวทําทีบจิเรื่องสายเกิดศรัทธาเตี่ยมล้นขึ้นภายในใจจิตมันพองแพรวบุญอะไรไม่ได้ทําก็ทําแต่บาปบาปตามพ่อแลว้วก็เกิดในสุคตินี่เราจะเห็นว่ามันเกิดเป็นแปรเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในปัจจุบันเข้ามาแปรเลย เ้ามาแปรเถอะทั้งๆ ท, ที่น่าจะตกนรกมันไม่ตกก็มาเกิดสัมาทิฏิขึ้นมาจิตของแพรเป็นกุศลที่เกิดขึ้นอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แกก็เกิดได้นี่คือคืออย่าอย่าลืมว่ามันอยู่สามช่วงนะฮะช่วงอดีตเป็นบาปหรือเป็นบุญก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรจะไล่ามาก่อนไม่รู้อะไรตัวแรงกว่าเราไม่รู้เลยนี่เป็นเรื่องของพุทธิยานะอย่ากำหนดได้ปัจจุบันเนี่ยแกงออมเต็มที่พอจะให้ผลหรื อ, อยังเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วในขณะดับจิตเป็นตัวแปรใหญ่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าประเพณีของคนไทยเราในเราศึกษาเรื่องนี้มากเพราะในสมัยโบราณในศึกษาเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัตรมากคนเฒ่าคนแก่เวลาตายหรือว่าใครจะตายก็ตามอย่าลืมกุญพระบางทีเราจะสวดอิติปิโส ต, ตามต่างจังหวัดเนี่ยพอเห็นว่าตายแน่เนี่ยญาติพี่น้องทุกคนเขาไม่ไปร้องไห้มันเสียเวลาหรอกกาจะสวดอิติปิโสกัน สวดอิติปิโสเขาเรียกว่าสวดพระปิติเกิดพระปิติก็ดิ้งมันอิติปิโสนะฮะไม่ใช่พระปิติเพื่อจะดึงจิตของคนให้มาอยู่ที่อิติปิโสดึงจิตให้มาอยู่ให้ได้แล้วเมื่อจิตกระน้อมก็หาอิติปิโสไอความดืมใสที่เป็นพื้นนี่มันก็ขึ้นมาขึ้นมารับแกก็ปล่อยแกได้เพราะงั้นอย่าลืมคุณพระอย่าลืมคุณพระแต่อย่าลืมว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสร้างสม ต้ออบรมต้องกระทาบ่อยๆจนความทราบซึ้งในพระพุทธคุณเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้นไม่ใช่ว่าชาติหนึ่งไปอิติติโสกันตอนนั้นนะฮะมันไม่เข้าหรอกนี่เข้าไปในทางประสาทสัมผัสอย่างดูเมือนเคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วที่ว่ามียายคนหนึ่งในคิดเหนียวลูกหลานบอกว่ายายอย่าลืมนะระหังยาอย่าลืมมาระหังแกฟังเป็นอะไรหายตลอดฟังเป็นอะไรหายตลอดตายด้วยมัดเฉรอจิตขอคุ้มใจก็เรียบร้อยแหละก็เนี้ย เพราะงัน้นพวกนี้ต้องทำต้องเสพจนคุณอย่าลืมมาก่อนจะตายนี่ใจมันก็อ่อนกายมันก็อ่อนมันไม่พร้อมที่จะรับอะไรหรอกมีความหวาดมีความกลัวมีความห่วงยอยมีตกกังวลระแวงอะไรสารพัดอย่างถ้าเราไม่ทําจนจินแล้วดึงขึ้นมาไม่ได้มันเหมือนกับไม่มีสตางค์มันไม่รู้จะ อ, อะไรมาจ่ายการกุศลจึงท่านสอนให้ทําบ่อยๆปลูกฝังไวจนคุ้นเสพจนคุ้นเรียกว่าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ก็ น, นี่ก็มีมีคนคนหนึ่งนะก็ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินชื่อคุณเพาพงาวัฒนคุณ ก, ก่อนจะตายนี่แกประทับใจในอริยสัจในธรรมจักตอนที่ว่าด้วยอริยสัจประทับใจมากฟังอยู่เรื่อ ย, อยตอนนั้นโคม่าแล้วคุณวัยเร่งเทพเลยเร่งเทพตอนนี้ขึ้นก่อนจะดับจริงๆแกยังยกมือขึ้นมาได้นะก็แสดงว่าไปได้ดีทีเดียว แต่ทํำไมยังไปได้ทั้งๆคือทั้งๆมันจะดับแล้วเพราะว่าแกเสพจนคุณปฏิบัติเรื่องนี้มาจนคุ้นฟังธรรมะตรงนี้มามากที่สุดต้องทํามาจากนะตน้องทํามาจากคือว่าตัดเอาเฉพาะตรงนั้นเลยดังหนุกขังอะไรจะจังอะไรขึ้นตรงนั้นแหละกระตุกขึ้นมาได้ก็จิตก็สงบมันก็ผองแผ้วนี่คือกลายเป็นตัวแปรที่ยิ่งใหญ่มากนะอาศัยนกา ร, รทั้งๆ ท, ที่มันเล็กคือคือคื อ, คอจะเป็นอะไรก็ตามแต่แกแปลกอนแกก่อนแหละ แกแปลงแกก่อนบุคคลประเภทที่สามซึ่งทํากุศลกรรมบทตรมีลักษณะดังที่กล่าวแล้วถ้าใครจะไปยืนยันในแนวเดิมว่าต้องเกิดสุคติอย่างเดียวอโดยเลงที่ปัจจุบันว่าต้องเกิดในสุคติอย่างเดียวก็ไม่แน่เสมอไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าก็มีนะฮะก็มีเกิดจะเกิดในสุคติก็มีแต่ก็ไม่แน่นะ <c oughs> เกิดในทุคติก็ได้ อางประเภทที่4นี่ก็เกิดในทุ ก, กติเพราะอะไรเพราะว่าก็เหตุผลดังที่กล่าวแล้วนะฮะคือแกอาจจะบังเกิดในสุ ก, กตินั้นเพราะกรรมที่เป็นกุศลในอดีตก็ได้เพราะกรรมแกปัจจุบันให้ผลคือแกรอบสุกงอมในปัจจนใช้คําว่าสุกงอมแล้วหรือเกิดสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นหรือจิตพองแพร่ในปัจจุบันก็ได้เพราะในการไปเกิดในสุ ก, กติของแกไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมในชีวิตประจําวันของแกเสมอไป แก่จะไปเกิดเพราะกรรมอย่างอื่นซึ่งเป็นอนดีตหรือหรือขณะที่จะดับจิตนี่ก็ใน ล, ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะในกรณีนี้พึงดูตัวอย่างท่านาธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกนั้นคือเป็นธรรมิกะทั้งครอบครัวเป็นธรรมิกะกันทั้งครอบครัวพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่นําลูกหลานว่านเครือหมดเลยแล้วพวกนี้เก่งในด้านธรรมะด้วย ก็ก่อนจะตายาส่งคนไปรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าป่วยหนักจะตายพระเจ้าสรงพระมาให้มาสวดอิติเอเมสติปทานเนี่ยมาสติปทานทัานสวดพอสวดสวดมันก็เขาเรียกว่าคนจะตายนะฮะที่อันติกถาท่านบอกว่ามันคล้ายๆกับคนเหยียบอ แต่ละข้ามครูอ่ะคือเท้ามันอยู่อีกด้านหนึ่งคือเท้าเท้าคนเราอยู่คนลราคนเราฝั่งของครูคนอื่นคนคนคนนั้นจะเห็นโลกนี้กับโลกอื่นมันมีกรรมมารมคือกรรมที่เรากระทานั้นจะปรากฏขึ้นภายในมโนถวาตภายในจิตเราเห็นกรรมเลยเราอาจจะทําอะไรก็ตามนะฮะจะโยมนั่งกรรมฐานมาจนติดนิสัยก็อาจจะเห็นตัวเองนั่งกรรมฐานเป็นอีกภาพนึง ไปนั่งกรรมาฐานอยู่กลังทอดกจิ๋นทอดป้าป่าอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะเชื้อคอไก่อะไรก็ว่าแล้วแต่ก็แล้วแต่ฮะคื อ, ค, อคือเราก็ไม่รู้ว่าใครทําอะไรอะ่ะแต่แกจะกรรมนิมิตเนี่ยแกจะเกิดแล้วก็เป็นกรรมนิมิตตารมเลยกรรมเนี่ยมันจะอยู่กขามันปักอยู่เนีน่จะเป็นดีหรือไม่ดีก็ตามนะเราก็บอกไม่ได้อย่างอย่างลุงอะไรที่นครกชัยศรีเนี่ยไปชนไก่ จนไก่ชนไก่ไก่ตัวไหนชนดีก็ประกบประงมดีปรไก่ตัวไหนชนไม่ดีก็จับแกงด้เลยไอ้ลูกตัวสุดท้ายชื่อไอ้เขียวลูกไอ้เขียวตัวนี้แกรักมากเลยแล้วกําลังชนะแล้วพอดีก็แกแกก็ป่วยก็ตายพอก่อนจะดับนี่เพ้นไอ้เขียวแกกำลังชนเลยนะแกก็เชียร์ใหญ่เลยเมือก็มื อ, อ, อ, อ, อก็เอาเลยไอ้เขียวเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเคาะจนลูกจับมือสองข้างนี่ดึงไม่หยุดดึงไม่อยู่เลย แกต่อยมือกันจนนี้ฮะจนแหลกจนจนจ น, จนเลือดโชกหมดเลยแล้วก็ดับไปกับไอเชียไอเขียวนี่แหละดับไปกับไอเชียไอเขียวนี่เองนี่เราจะเห็นว่ากรรมารมณ์มันเกิดกรรมนิมิตอารมณ์ปรากฏแล้วคตินิมิตอารมณ์ก็ปรากฏก็ทําให้เห็นโลกหน้าคนที่ตายปกติเขาจะเห็นถ้าเราลองสังเกตเขาเรียกว่าหลังสังหรณ์คือพูดแปลกๆแม้แต่คนที่จะประสบอุบัติเหตุ ภายในมโนภายในจิตสำนึกของแกหรือมโนถวานของแกเนี่ยแกมีอะไรอยู่แกเองก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ัพูดหลุดหลุดออกไปบ่อยๆละใน่สุดมันก็ออกมาเป็นการปรากฏเร็วหรือช้าแต่ก็ปรากฏนะก็เห็นคติท่านทาให้แกอุบาสกนี่ก็เห็นคติก็มีเทวดามาเชิญให้ไปอุบัตในภพของท่านท่านก็เพลินนฮะคือคือว่า มากันต่างๆแล้วท่านก็รบกวนรบคือว่าขูของท่านเนี่ยได้ได้ยินเสียงเรียกคนอื่นเขาไม่ได้ยินหรอกก็บอกหยุดก่อนหยุดก่อนแกต้องการจะฟังพระสวดพระกําลังสวดเฉพาที่สาธยายก็ไม่ใช่เรียกสวดสาธยายพระนั้นเข้าใจว่าบอกให้ท่านหยุดแต่ท่านเองนั้นพูดกับเทวดาพระก็เลยกลับท่านก็เพลินกับเทวดาแล้วในที่สุด พอนึกขึ้นมาได้เสียงพระก็หายไปแล้วเปราปรากฏพระกลับปัดไปแล้ลูกก็บอกว่าพ่อไม่น่าหลงเลยทำบุญทำกุศลมาแยะยังมาหลงในตอนตายเนี่ยพ่อก็บอกพ่อไม่ได้หลงพ่อไม่ได้พูดกับพระเลยพูดกับเทวดาลูกก็ไม่เชื่อเพราะไม่เห็นนะแลอวแกก็ขอพวงมาลัยอธิษฐานนโยนไปว่าจะไปเกิดในพบไหนดีเพราะว่าเรียกว่าแกเลือกเกิดได้นะะแกแกแกมีบุญแยะแกสามารถเลือกเกิดของแกได้ ว่าในคำพูดที่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เป็นคําพูดหลอกตัวเองเราเลือกเกิดได้เราไม่เลือกเองอะสมมุติว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรท่พระเจ้าบอกไว้แล้วเนี่ยทําไงจะไปเกิดยังไงเนี่ยเราไม่เลือกเราเองเราไม่เลือกเราเองแล้วพอเกิดมาแล้วเรามานั่งบ่นว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เราไม่เลือกฮะมัมันไม่ไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่ได้อ่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้ก็ได้แต่สรุปว่าในแง่ของความเป็นจริงเราเลือกเกิดได้ตกลงว่าท่านก็ โยนพมารมลายอธิษฐานไปพบดุสิตนะฮะซึ่งเป็นพบที่ทีละที่สี่ภิกษุก็กลับไปทูลพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเล่าว่าเขาไม่ได้พูดกับเธอเหรอกเขาพูดกับเทวดาแล้วก็รับสั่งเล่าเหมือนกับที่บ้านเขากําลังคุยกันนี่เราจะเห็นว่าการไปเกิดของท่านเป็นจิตผ่องใสในขณะนั้นด้วยขณะนั้นเป็นตัวการที่เราจะเห็นว่าสําคัญมากแล้วก็ท่านก็ปูกพันธยวกับธรรมะ ตัวแรงจริงๆจึงกลายเป็นในปัจจุบันนั้นตัวไกรรมอดีตของท่านก็ไม่ใช่คือกรรมปัจจุบันในชาตินี้ของท่านก็แน่นอนมันเป็นกุศลมันตรงตัวอยู่แล้วแต่ว่าตัวแปรที่ทำให้ท่านเลือกได้ก็คือเรื่องของปัจจุบันมากกว่าในวันวันก่อนๆเดือนก่อนๆนี่ก็เรียกว่าตรงตัวกันอย่างนี้นะฮะประเภทที่4คือทากุศลแล้วกรรม ทำกุศลกรรมแล้วก็ตายไปบังเกิดในทุกติกุศลกรรมในปัจจุบันนะฮะตายไปบังเกิดในทุกติก็มีพระพุทธเจ้าทรงชช้กรรมก็มีซึ่งในกรณีนี้ก็หมายความว่าไอตัวองกุศลกรรมที่นําให้เกิดก็อีกแหละคืออาจจะเป็นเรื่องอย่าลืมตัวกลางดีนะฮะตัวกลางดีแต่อดีตอาจจะไม่ดีหรือปัจจุบันใจซ่ามหอมองปัจจุบันใจเขาซ่ามหอมองอยู่ มีใจขุดมัวแล้วก็ตายด้วยอาสันนกรรม ค, คือสรุปว่าอาสันนกรรมก็ได้อดิตกรรมก็ได้ที่เป็นอกุศลนะมาให้ผลเสก่อนถ้าถามว่าพวกอกุศลเหล่านี้พวกกุศลหรืออกุศลที่ที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกันยังไงมันหายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนมันรอคอยเวลาที่จะให้ผลแบบสุนัขไล่เนื้ออย่างที่ว่าเพราะว่าในชุดนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้อีกชุดหนึ่งนะฮะ กรรมส่วนมากจะให้ผลในปัจจุบันแต่ถ้าถ้าในรายละเอียดถ้าพูดแบบอภิธรรมมันก็พูดด้วยขนาดจิตที่หนึ่งที่สองอะไรแต่ไรก็ยุ่งเอเปล่าก็สรุปว่ากรรมบางอย่างเนี่ยกรรมบางอย่างที่เรากระทํานั้นจะให้ผลแก่เราในชาติปัจจุบันส่วนหนึ่งก็ตามจานวนที่เราพูดกันว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ดชั่วทำดีดีทําชั่วชั่วพูดง่ายๆทาดีดีทําชั่วชั่วเราก็ได้กับเราในในปัจจุบันแล้ว อย่างในกรณีของการทำดีเราก็ได้ทำดีทำชั่วเราก็ได้ทำชั่วก็ได้ไปแล้วตอนนั้นแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ออกมากันในระยะที่ไม่ค่อยห่างนะฮะแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยคิดถึงฮะเราไม่ค่อยโยงเราไม่ค่อยโยกว่าะนั่นคือผลของอดีตกรรมเอามามีเรื่องเกี่ยวกับบุคคล รอนนี้วัยะนะที่จริงก็ตั้งใจจะเขียนเป็นหนังสือ <Yeah. S 1> เรื่องใครลิขิตก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เห็น้วยตัวเองแล้วก็รู้ประวัติแกละเอียดนะวยตัวเองเออคนผู้นี้ไม่ต้องบอกชื่อเขานลฮะเป็นคนที่คือรูปงามมากรูปงามปุกลิกดีแล้วก็นิ้วเหมือนกระลำเทียนเลยตาคมเหมือนตาเหี่ยวสง่ามากเลยดู ป, ปุกลิกสง่าด้วยกัน แต่ว่าใจเขี่ยมเกรียบ ม, มากแกเล่าให้ฟังนะตอนสงครามโลกตอนญี่ปุ่นขึ้นสงครามนะแกฟันเด็กสองคราวนะตายไปสี่คนอุกคนนะคือคือคือคนจีนเนี่ยเขเาเอาหลานนะหามใส่ใส่ใส่อะไรใส่อะไราแลกอะเอ่อใส่ไปในเข่งหามแกแกนึกว่าสมบัตินะแกฟันนะ่ะแแย่งฟันเด็กตายแล้วในทสุดก็หนีไปอยู่อะไร เกาะอะไรกัลันตันที่เกาะทางข้างนอกไปเกาะเกาะใกล้ๆกับมาเลเซียก็ไปไปอารวาสในนั้นๆอีกถูกคนเขาไล่แล้วก็เปิดมาก็ในที่สุดก็เที่ยวต้นเที่ยวข่าเที่ยวอะไรเขาเนี่ยสารพัดเรื่องสารพัดแกทำมาเยะตอนที่มารู้ดันแกยังชวนเพื่อนไปหาฝากแล้วแกขุดหลุมเอาฝังเอาไปหมกไมว้กลัวกันนิดเดียดนั่นเองคร แกไปขุดหลุมเตียไม่ได้ชวนเพื่อนไปหาผักอะไรลืมแล้วผักในป่านะไปถึงไปถึงหลุมแล้วก็ตีหมกเอาฝังไว้เรียบร้อ ย, อยใจแกเหลือเกินต่อมาวันวันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มหัเจารย์และรอหาคำตอบไม่ได้ราอหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมนาะคนนี้แกจึงเป็นอย่างนั้นฮนะเปนอยู่ที่ที่เมืองแร่คือ อ้แรกในเขาระเบิดคนส่วนมากเขาจะระเบิดลงต่าหน้าหินเนี่ยแล้วก็ก็รู้ว่าหินมันจะไปตกที่ไหนส่วนมากคนถ้าไม่ตรงตัวจริงๆเขาก็เฉยๆเขาก็ดูว่าเหมืองไหนไอ้หลุมไหนเขาเขาระเบิดแต่เห็นว่ามาทางหินเขาก็หลบถ้าไม่ทางเขาก็ทํางานเขาตามปกติเนี่ยวันนั้นมีเหมืองหนึ่งซึ่งหลุมมันตรงกักนอย่างนี้ตามตามปกติแล้วหินมันจะลงไปทางหน้ามันลงไปทางหน้าเพราะเราจะเปิดหน้าหินไว้ ปกติมันจะลงหน้าวันนั้นเราก็หลุมตรงกันเลยหลุมของแม่ทิพย์ใช่กระเบิดนี้รู้สึกตั้งสิบสิบหรือเก้าลูกนะมันมีหินอยู่ก้อนหนึ่งมันเลี้ยวเลยเลี้ยวมาเป็นขบวนมาเลยแล้วมาลงบนหลังนาคนนี้ป๊กปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กโซยทียิบเลยนั่งกันแปดเก้าคนนั่งกันหลังให้ทั้งนั้นตีแรกกันคนอื่นไม่ถูกเลยแม้แต่ลูกเดียวลงบนหลังแกตลอดรายการเลโอ้ยเลือดโชคหมดเลยเลือดนีิเมื้องหมดทั้งตัวเลย พทรมานดิ้นรนกระเสือกกระสนเจบ็บปวดกว่าจะหามไปถึงโรงพยาบาลได้ใช้เวลาเก้าชั่วโมงและแกไปทนทนทรมานจนกว่าจะตายเนี่ยต้องสิบห้ากชั่วโมงและตายอย่างทรมานที่สุดเลยนี่คือผลกรรมถ้าเราโยงให้ดูแล้วก็เหมือนกับที่แกเคยทุบเพื่อนใส่หลุมอะไรแกเคยทํทมาน่ะเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกัน นี่เขเรียกว่ามักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้นคือผลกรรมทั้งที Merc ่เป็นกุศลทั Although, ้งที่เป็นอกุศลมันให้ผลกันในปัจจุบันส่วนมากนะจะให้ผลในปัจจุบันเป็นทิฏฐธรรมเวธนีกรรมแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาเราแรงนะถ้าเจตนาเราแรงและเราทําในปัจจุบันจะให้ผลจะให้ผลเร็วในปัจจุบันแต่ส่วนมากเราเราไม่ค่อยคิดกันนะเรื่องนี้ไม่ค่อยติดตามแล้มี มีพระใหม่องค์หนึ่งนะฮะเมื่อเมื่อมาบวชตอนนั้นรู้สึกจะรักสองพรรษาองนี้แกหลวงพ่อหลวงปู่แหละทุกวันหลวงพ่อองนี้ยังอยู่อายุตั้งแปดสิบป่าเกือบเก้าสิบละองนี้ไปโจดหลวงพ่อด้วยอบัตประราชิกเลยคือโกรธหลวงพ่อว่าดุแก่ตอนเด็กแล้หลวงพ่อเลี้ยงแกมาตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะเลี้ยงแกมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กวัดแล้วก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือพอโตเป็นหนุ่มแล้วก็บวชให้ ปรบุญแล้วมันมันตาบะเดชะมันแก่กล้ากันถือว่าหมจีวรเหมือนกันยังไงไม่รู้ <c oughs> เลยก็หลวงพ่อดุไม่ได้ไปโจดหลวงพ่อเอาแรงนะต้อมาเป็นคนไปพูดเองเลยไปนคนไปขอร้องแก่ให้ถอนคำฟ้องเพราะไม่มีใครก็เชื่อหลวงพ่อคนี้เคร่งครัดมากแล้วเป็นพระที่สวยงามเรียบร้อยมากแกไม่ยอมถอนอ้อนวอนขอร้องอยังไงก็ไม่ยอมถอนคณะสงฆ์เองเขาไม่รับก็เราก็รู้ะ คนสุดท้ายแกอยู่มาพอออกพรรษานะแกโจทย์ในพรรษาพอออกพรรษาประมาณสักสี่ห้าเดือนเขาว่าแกเกิดคลุ้มคลั่ ง, งแต่ว่านี้เป็นเรื่องที่คนมาเล่าให้ฟังทีหลังนะมาเห็นว่าพูดแกไม่รู้เรื่องกันเลยไม่ยุ่งแกแล้วก็ต่อมาก็สึกสึกแลื่คลุ้มคลั่งใหญ่แล้วในที่สุดแทงตัวเองเป็นบ้าคลุ้มคลั่ ง, งแทงตัวเองก็ตายไปไม่ถึงปีไม่ถึงปีทําไมฮะเพราะว่าวัตถุนี่มันหนักด้วยกันพระ เป็นพระด้วยแล้วก็เลี้ยงมาเหมือนพ่อด้วยแล้วเป็นพระสงฆ์ผู้ ส, งสูสงศีลเนี่ยทรงศีลเป็นระดับที่เคร่งครัดเคร่งครัดมากหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของระเบียบวินัยทีเดียวคนนิยมยกย่องมากแล้วก็เม่แม้แรงมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงปีก็แกโจทย์ในบรรษาแล้วก็หมุนไปอีก6เดือนนั่นเองแกก็คุ้มครั่งนะนี่เราตามอาตมานี่ตามมาเยอะนะแล้วก็ว่างๆจะทำหนังสือมาให้สักเล่มให้อ่านสักเล่มมีเยอะเหลืเอเกินแล้วเรื่องจริงตอนนั้นนะ เรื่องจริงทั้งนั้นแล้วก็เห็นด้วยตัวเองด้วยนี่เราจะเห็นว่ากรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลนี้แกให้ผลของแกในปัจจุบันส่วนมากเลยจะให้ผลในท่านเนี้ยขอให้เล็งให้ดีกันแล้วกันนะแต่ทีนี้คนเราจะมันพลาด ต, ตรงไหนเพราะว่าพอท่าได้ดีขึ้นมาหรือว่าดวงดีนะพอได้ผลเป็นความถูกความเจริญอะไรอะไรสําเร็จขึ้นมาไอ้ลาบลอยอะไรอะไรระว่าดวงดี ก็ได้ผลบาปขึ้นมาเราว่าเคราะไรไปโยนข้างนอกหมดเลยนะฮะเราว่าเคราะไรเราว่าดวงดีให้โยนออกนอกหมดเลยทั้งๆที่ผลนั้นมันเล็งตรงมามันผลเกิดที่เราในตัวเหตุมันต้องมาจากเราเหมือนผลเกิดที่ต้นมะพร้าวก็แสดงว่าเหตุมาจากต้นมะพร้าวผลมะพร้าวเหตุมันจะมาจากต้นมะพร้าวมันมาจากที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผลเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดแก่เรานั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราในปัจจุบันนี้หรือในอดีตก็แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนมากปัจจุบัน ปัจจุบนันให้เราเลงเราได้เราเลงกลับไปได้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรที่จะเล็งนะฮะจะเลงไปข้อสาคัญว่าเราเราไม่ยอมเล็งอ่ะไม่ยอมเล็งแต่นั้นเองอย่างมีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ท่านท่า น, ท, านท่านตาบอดสองข้างน ะ, ะท่านเป็นโรคปวดหลังปวดหลังนี่เป็นนิจสินเลยปวดตังเนี่ยแล้วก็ต่อมาเด็กยิงหนังสติกันในวัดนะยิงกันไปยิงกันมาไปโดนหลวงพ่อตาบอด หลวงพ่อไม่โกรธเด็กแล้วท่านก็เรียกลูกศิษย์ลูกหามาเล่าให้ฟังวันนี้ยเป็นเวรกรรมของหลวงพ่อเองเพราะในสมัยที่หลวงพ่อเป็นเด็กอยู่วัดเนี่ยคือคือพระคะแนนพระพระพระที่เขาทางกรดินนะฮะเป็นเป็นเป็นเป็นเงินเป็น bron ทองอะไรเนี่ยรู้สึกแค่สามองค์นะตามองค์ที่เขาพระบูชาเคราะห์เมื่อก่อนเขานิยมทํากันมากแล้วก็คือเมื่อทําเป็นรูปพระพุทธปฏิมาแล้วไปถวายพระไปแล้วเนี่ยยังไงพระท่านก็ เอาไปไหว้นะดีมากๆอะไม่รู้จะไหว้ที่ไหนก็เอาไปไหว้ตามลานโพตามกําแพงโบสถ์อะไรตามที่โบสถ์เด็กวัดนี่ก็เอาพระเครื่องเหล่านี้พระเหล่านี้มาจัดแถวทหารแต่แถวทหารก็วางไม่ค่อยตรงนะฮะองค์ไหนวางไม่ค่อยตรงแกก็ตีตีที่หลังตีที่หลังแล้วก็เอาเอาเล็บในขูดตาทําอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนจนในที่สุดเมื่อท่านบวชเรียนศึกษาเรื่องกฎของกรรมเข้ามาท่านก็รู้ท่านก็เล็งก็ ไอ้ที่ท่านรค ป, ป่วยตัวเองนี่ไม่มีอะไรตีตีเนี่ยตีพระพุทธรูปเนี่เนะตียรพุทธรูปข้างหลังเนีแล้วก็ที่ตาบอดก็คือที่ขูดตาพระนั้นเลยเล็งได้แล้วที่วัดรวรว น, นี่เองตอนตอนนี้ก็เป็นต้นานอยู่แถวเมืองเพชรบุรีองนี้องค์นี้เป็นคนที่แปลกมากก็เป็นคนรุ่นอาจารย์อาตมานะฮะเพราะตอนท่านเป็นพระแล้วยังเป็นเด็ก เป็นคนที่บวชอยู่ได้ตั้งนานนะแต่ไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าหมา่ทําสมไม่เชื่ออะไรแปลกจริงแกแปลกจริงๆรงไม่เชื่ออะไรแต่ก็อยู่ได้แล้วก็ปฏิบัติวินัยเคร่งครัดดีนะแต่ก็ไม่เชื่ออะไรหรอกโดยเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏนี่ไม่เชื่อมึงคนแปลกแกมาอยู่ที่ตําหนักจันทร์ตรงนี้นี่ตำหนักจันทร์มีไปพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งพุทธรูปไม่ทราบเป็นยังไงฮะตะแขงตะแขงอย่างเงี้ยแข่งเงี้ แกบอกพระองคนี้นั่งเหมาอเดียบร้อยคอตะแขงจับมาถึงกับคอนทุบจับคอนทุบคอดัดให้ตรงนอนกลางคืนบอ ร, รุ่งขึ้นช้านั่นนึงคอตะแขงเลยตะแขงด้านนี่ตีหลวงพ่อน่ะคอตะแขงไปศิริราชไปจุฬาไปกันแล้วหมอหาไม่เจอสาเหตุเป็นยังไงรักษาเยียวยากันไม่หายทํำยังไงก็ไม่หายวิธีโบราณก็ไม่หายวิธีปัจจุบันก็ไม่หาย เดีวก็เพื่อนนิวัตอนะเพื่อนท่านเนะี่ยท่านบอกว่าท่านไปทําอะไรกันมั่งมัเอ๊ะวันก่อนนี่ท่านไปตีพระเนี่ยเขาบอกว่าท่านไปตีพระเนี่ยท่านจุดดอกไม้ทุกเตียนขอขามาพระท่านก็จุดดอกไม้ทุกเตียนไหว้พระสวดมนต์ชักจะเชื่อนะเพราะว่าหมออะไรรักษ า, <ส>าไม่หายเราขอท่านก็ตะแขคงกั่นั้นแคงแรงไป ด, ด้วยสิก็ขอขอขามาลาโทษทุกอย่างเสร็จแล้วพอนอนหลับตื่นหายหายเรียบร้อย โอ้ทุกวันนี้พกไปไหนตลอดเลยองค์เนี้ยพกไปไหนตลอดแล้ ก, ไไลแลก็เชื่อหมดแล้วทุกวันนี้เชื่อหมดแล้วเชื่อหมดวันก่อนยังเอาไปท้ายเด็กยิงกันอยู่ที่ที่น้องนกปรากฏว่าเด็กยิงไม่ออกจริงด้วยนี่ก็คือเราจะเห็นว่าการรมนี่คืนนี้อะไรปทุสจิตเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าแท้แ ท, ทไปทุบพระพุทธรูปได้อไอ้ทุบพระพุทธรูปมันก็เกินไปนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อมันเป็นรูปของพระแล้วเนี่ยแม้แต่เราจับพระเสียรบางคนเนี่ยจับพระเสียรพระเบี่ยกดวงเนี่ยมันเกินไป มันมันมันอะไรมันไม่มีความคารวะเลยเลยไงคือมันเป็นพระพุทธรูปแล้วอย่างไงอย่างไงเนี่ยท่านจะทํารูปร่างเพราะพักท่านจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราต้องให้ความคารวะแล้วนี่เป็นพระเนี่ยเปทุบเสียพระพุทธรูปมันก็สาหาัสเราจะเห็นว่าเห็นไหมครึ่งเดียวต่นนั้นเองไม่ถึงคืนแต่รับผลนะคือกรรมในส่วนมากและเราเลงให้ดีเนี่ยเป็นพวกที่จะทำบุเวทนีกรรมนีนมากที่เราจะได้รับผลในปัจจุบันใ้มากแต่เราเลงไม่ได้ต่นนั้นเอง เราไม่ยอมเราโยนลูกออกนอกหมดเลยทั้งสองขานะพอดีขึ้นมาดวงดีพอไม่ดีเคราะห์ร้ายดวงจูอะไรก็ว่ากันไปและในสุดมั น, มนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทดสอบผลกรรมของเราได้กรรมประเภททิฏฐธรรมะเวทนากรรมคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันจึงมีมากแล้วข้อต้องกสำคัญขอให้ลองดูนะบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างพระเถระรูปหนึ่งที่ท่านเล่าให้ฟังก็ไม่ต้องออกชื่อท่านนะพูดกับท่านก็รู้จักกันหมด ท่านตรงนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเพาะท่านบอกว่าในสมัยท่านท่านท่านตอนเป็นเด็กครัท่านจับคางคกสูบยาสูบบุรีมวนบุรีครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็ให้คางคกมันคาบมันก็สูบมันก็ไม่ใช่สูบมันหายใจมันอะหายใจก็เมาหมอกกริ้งแล้วก็กริ้งกับท่านก็เล่นสนุกผลสุด ท, ท้ายพอท่านโตขึ้นมาบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นเนรพอเป็นพระเริ่มเป็นโรคเกี่ยวกับเพาะ ทองใช่ไม่ดีตลอดท่านบอกว่าผมเกิดมาชาติไม่มีท้องดีใช่สําหรับพื์นนะนี่ก็ท่านเล็งของท่านได้ส่วนมากพระเราถ้าหากว่าไปศึกษาเรื่องการมวิชาพุทธเราทุกคนนคถ้าเล็งเรื่องกรรมเราเล็งได้ทั้งนั้นนะเล็งได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่ที่ถ้าทำเวทนีกากรรมเราจะพูดะจะพบว่าการรมเนี่ยมันต้องรอเวลาฟักตัวพอสมควรมันไม่ใช่ว่าจะให้ผลได้ในเวลารวดเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดของกรรมเหมือนกับพืชนะเมือนกัขึ้นอยู่กับชนิดของพืช องประกอบที่จะให้ผลแรงทั้งที่ทฝ่ายกุศลและอกุศล น, นั้นคือที่จะเห็นได้ในปัจจุบันเหมายความวัตถุคือสิ่งที่เรากระทาแรงเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเราจะเห็นว่าผลมันเร็วเพราะวัตถุหนักมากแล้วก็เจตนาเจตนาในการกระทําแรงความพยายามแรงถ้าแรงสามอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งกุศลและอกุศลนะฮะทั้งกุศลทั้งอกุศลจะให้ผลในปัจจุบันนมากที่สุดนอกจากว่าเราทําอีกไม่กี่วันเราตายไปก่อนนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้า เราทำเรามีเวลาอายุอยู่พอสมควรเราจะได้รับผลในปัจจุบันประเภทที่สองเรียกว่าอุปปัชะเวทนียกับคือกรรมที่จะตามไปให้ผลในภพต่อไปในภพต่อไปคือหมายความมาเกิดอีกชาติหนึ่งแลวเราจะรับผลของกรรมนั้นเป็นเป็นหน้าบัญชีที่ยกมาซึ่งท่านทั้งหลายที่เคยถนัดในด้านบัญชีจะเห็นว่าบัญชีมันก็มีหน้าลูกหนี้เจ้าหนี้ คือตาบใดที่มันมันไม่บาลานซ์มันไม่ดุลอะ่ะมันคือรายรับกับรายจ่ายมันมันไม่เท่ากันมันก็ปิดบัญชีไม่ได้ชีวิตของคนเราในสังสารวัฏเนี่ยมีนิยกรรมที่มียอดยกมาอยู่เรื่อยตั้งบาปตั้งบุญมียอดยกมาอยู่เรื่อยคนที่จะปิดบัญชีได้ก็คือพระอรหันต์เพราะท่านละหมดทั้งบุญทั้งบาปคือไม่เออตั้งรายรับต่อรายจ่ายมันหมดมันก็ปิดบัญชีได้ แต่ว่าเรานั้นยังยังต้องชดใช้กรรมกันดูกรรมประเภทนี้ท่านบอกจะให้ผลในภพต่อไปถ้าให้ไม่ดันถ้าให้ไม่ได้ไไดก็เป็นโอโหสิทธิ์ไปกรรมประเภทที่สามนั้นตามเขาเรียกว่าลูกตือเลยนะพวกนี้ตามดุยดยุอย่างนั้นนะฮะมันอาจจะเป็นสุนัขไล่เนื้อขากระเพกแต่ ก, ก, ก, ก, ก็มีความพยายามแก่ตามแก่เรื่อยวันดีคืนดีแกก็ทัน อย่างพระพุทธเจ้าเองนั้นทงเล่าไว้ตั้งสิบกว่าครั้งนะฮะสิบกว่าครั้งที่เป็นผลของบาปได้เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เป็นผลบาปและรับสั่งเล่าพระพุทธเจ้าเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ต้องกลัวผลอะไรดีไม่ดีเล่าหมดเลยเล่าให้เขาฟังหมดเลยเนี่ยผลกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตเคยเป็นอย่างนั้นเคยทํากรรมอย่างนี้ไว้ต่อมาก็รับผลกรรมนี้พระพเจ้าเล่าหมดนี่ก็แสดงเห็นว่ากรรมนี้เขาเรียกว่าอุป ป, ปัชชะเวทนยกรรม ไม่ใจะอปาราประเวทนยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในพบเรื่อยๆไปมันไล่ทันเมื่อไหร่มันไล่ามานะที่ท่านอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อมันก็ไล่กันอย่างนั้นนะะแล้วก็ทันเมื่อไหร่แกก็กัดแกก็ให้ผลนี่คือกรรมประเภทนี้ส่วนกรรมประเภทที่สองนั้นที่ไม่ใช่ที่สี่เขาเรียกว่าโหสิกรรมคือกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วมันก็มีอยู่สองสามฝ่ายด้วยกันนะฮะหมายความว่าพระอระหันต์ท่านตัดกรรมได้ กรรมบางอย่างต้องเป็นอโหสิอย่างของพระองคุลิมานะที่ฆ่าคนไว้แยะเนี่ยมันเป็นอโหสิไปเพราะให้ผลไม่ทันแล้วก็กรรมประเภทแรกกรรมคือกรรมประเภทที่สองที่จะให้ผลในชาติต่อไปเนี่ยเมื่อแกให้ผลไม่ได้แกก็เป็นอโหสิและกรรมประเภทหนึ่งคือคือมันให้ผลเสร็จแล้วก็เป็นอโหสิเพราะฉะนั้นอโหสินี่ไม่ใช่อโหสิกันได้ง่ายนะมันมันมันต้องมีเงื่อนไข ไ อ, ไอ่เราอาโหสิการเราไม่ถือโทษโกรธตอบกันเนี่ย น, นั้นก็เป็นในชั้นหนึ่งชั้นเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะแต่ว่าในแง่ของกรรมเราไปอโหสิกรรมกรรมเขาต้องมีผลอย่างที่บ้ามาแล้วคือหมายความว่าเมื่อแกไม่ให้อ่แกแกไม่มีโอกาสให้ผลแกก็เป็นอโหสิของแกเอง่ในชั้นจิตใจเราก็ปฏิบัติได้ให้เป็นอโหสิกรรมเพราะนกรรมประเภทที่สีน่นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า คนที่ทําความดีในปัจจุบันตายแล้วไปบังเกิดในทุกติซึ่งอาจจะเกิดในทุกติเพราะอาดีตกรรมหรือเพราะอาสานกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายอันนีเ้เราก็มีคนนะฮะมีคนที่เป็นตัวอย่างคือพระนางมาริการทวีเป็นมเหสีของพระเจ้าปัตเสนิโกศนเรียกว่าเป็นยอดหญิง เป็นยอดหญิงในพุทธการคนเดียวที่ทําบุญพิเศษนะคือพระพุทธเจ้ารับสัง่งราวการให้ทานในลักษณะเขาเรียกว่าอสัตถิสถานคือทานที่ให้โดยไม่มีใครจะเทียบได้มันมีพิธีรีตองแยกกระทันให้ทานแข่งกับประชาชนประชาชนเขาก็มีแยกแล้วท่านก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงท่านก็เอาให้มีช้างกั้นฉัดพระอรหันต์ห้ารอยชาวบ้านหาฉัดกับช้างไม่ได้เลยแพ้ แล้วก็ของต่างๆนี่จัดอย่างดีเลยทุกอย่างเป็นโอ้ยคือว่าทําได้คนเดียวฮะสรุปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่จะมีคนทําทานชนิดนี้ได้คนเดียวและต้องเป็นผู้หญิงด้วยมันมีข้อแม้ว่าอย่างนั้นผู้ชายทําไม่ได้หรอกผู้ชายไม่ไม่ค่อยมีความประณีตแต่ว่าพออาศัยความละเอียดอ่อนในด้านจิตใจของท่านเนี่ย ท, ทั้งท้ า, านได้ทําบุญมโหฬารมากมายอย่างนั้นนะะ พอตอนจะที่วงคตท่านเกิดปเป็นเหนียวนึกกว่เรื่องไอ้ ก, อ ก, การพูดพูดพลาดน ะ, ะไม่ถึงก็โกหกอะไรฉกัดชะกันนะเรื่องมันไม่รุนแรงหรอกแต่ว่ามันผ้าขาวสะามีจุดดํานิดเดียวก็เลยเด่นขึ้นมาท่านปเป็นเหนียวนึก้กว่าเรื่องเดียดนั่นเอะไม่ได้นึกเรื่องอื่นเราจะเห็นว่าอาดีตกรรมท่านก็ต้องดีนะฮะท่านก็ต้องมาเกิดเป็นเดยวางมาเกิดเป็นลูกของนายอุทยานนะอุทยานบาท เลยช่วยชีวิตพระเจ้าประเสนนิโกสนบายก็ได้เป็นมเฮสีปัจจุบันนั้นท่านดีแน่นอนปัจจุบันแล้วเป็นผู้หญิงที่มีปัญญามากนะฮะพระเจ้าประเสนนิโกสลถ้าไม่ได้เมียคนนี้ก็แย่เหมือนกะันเนี่ยเพราะท่านก็ทึมๆอยู่พิโกนพิโกนนะแต่ว่าอาศัยที่พระนางมารีกาท่านฉลาดท่านคอยชี้แนะท่านคอยบอกกล่าวให้สติอยู่ดีด้วยก็แสดงว่าปัจจุบันกรรมท่านก็ดีแต่ว่าขณะขณะดับจิต ขณะดับจิตตัวอาสันนักกรรมนะขณะที่จะดับมันเกิดเป็นตัวแปรทําวันท่านตกนรกแต่มันกรรมเบานะฮะกรรมเบาก็ตกนรกอยู่เจ็ดวันพระเจ้าประเสริฐในโกศลเสียพระไทยมากพระเภษีที่บ่งคตไปก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามคติคือคนสมัยนั้นก็าไม่เขไม่สงสยัยหรอกเรื่องนรกสวรรค์คนสมัยนี้เก่งกันมากนะคื อ, ค, อ, ค, อคือรู้ไปหมดเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเออ ปฏิเสธได้ท่านพระเจ้าประเสริฐในโกศล น, นั้นท่านไม่ได้สงสัยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องคติพบเจอท่านถามไปเกิดที่ไหนตอนนั้นนีต้องการารู้ว่าไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพให้ลืมทั้งหมดทุกวันเนี่ยปล่อยว่าเจ็ดวันไม่ได้ถามสักทีกุยเรื่องอื่นเพลินนะกลับกลับไปถึงว่างนึกออกให้ก็ถามพวก่นี้มาพรุ่งนี้ก็ออีกละบันดาลโดยพุทธานุภาพไม่ให้แม่นึกออก ทำไมจึงต้องต้องถามอย่างนั้นเพราะท่านนึกออกนะฮะต้องถามแล้วพระพุทธเจ้าในาเป็นสัจจาวาทีพูดจริงอพูดจริงมันก็พูดตรงตัวตรงตัวพระเจ้าปัดเศษในกุศลต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีเลยเพราะท่านจะมองเห็นว่าคนขนาดพระนางมาลีกาทําบุญขนาดนี้ตายไปตกนรกแล้วไม่มีคนอื่นในขึ้นสวรรค์ไม่มีคนอื่นในขึ้นสวรรค์ท่านต้องกลับเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะงันต้องการจะช่วยท่านพระพุทธเจ้า ก, ก็บรรดาให้ลืมในทุกทีเ พอมาถึงคราวพอครบเจ็ดวันพระนางก็อุบัติในสวรรค์พอมาถึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็รับสั่งโอ้ยท้ก็ดีใจใหญ่บุคคลขนาดนางมณีกาไม่ได้เกิดสวรรค์ ใ, ใครจะเป็นเกิดในสวรรค์ท่านเองก็เกิดสตาภัสสสะก็ดีขึ้นก็สัมมาทิฏฐิก็สูงขึ้นนี้เราจะเห็นว่าความสลับซับซ้อนของกรรมนี่เอาก็จริงนีนเราพูดตรงตรงัวลงไปไม่ได้ได้ ผู้ทรงตัวเพี้ๆอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่มันไม่แน่นะครับมันเงื่อนไขวันกรรมมันมีความสลับซับซ้อนเดือเดือดเกินน่ะคนเราผ่านภพชาติมาไม่รู้สอบเท่าไหรต่อเท่าไหร่พวกประเภทเขาเรียกว่าอปราบราเวเทนิกรรมเนี่ยกรรมที่มันต้อยต่อยต่ตเรามาเนี่ยไม่รู้อะไรบ้างเลยเนาะแต่มันก็พร้อมที่จะสำแดงผลเมื่อมันถึงคราวซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีหรือว่าสลับกันไปแซงหน้าแซงหลังกันอยู่เราก็ไม่รู้เลย แต่เราจะเห็นว่าในแง่ของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าเน้นที่ปัจจุบันนักรรมคือพยายามให้คนเราทําปัจจุบันนักรรมให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนักรรมที่ดีเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเป็นตัวแปรเหมือนเหมือนกับภูมิต้านทานโรคคือเราอาจจ ะ, ะมีมีโรคภัยไข้เจ็บที่ติดตัวมาแต่เราก็มีบริหารร่างกายเราดีเราสร้างภูมิต้านทานเรื่อยๆโรคมันก็เล่นงานเราไม่ได้สักทีหนึ่งเราบริหารร่างกายดีเรารักษาสุขภาพของเราดีจึงเน้นที่ปัจจุบัน คือเรื่องอดีตมันไม่รู้อะไรต่ออะไรเราก็ไม่รู้มันอะแต่เอเราปัจจุบันให้ดีก็นแล้วกันทีนี้ตัวแปรในเรื่องของกรรมนอกจากเหตุผลอย่างที่ว่าเนี่ยเราจะพบว่ามันยังมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกเป็นนันมากซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงจําแนกแสดงเอาไว้ในที่ต่างๆมากเลยกันแต่ว่าข้อนี้พึงสังเกตว่าวิเคราะห์ให้เห็นในเชิงที่ละเอียดนะฮะ ในเชิงที่ละเอียดออกไปว่าอย่ า, ย า, ยาไปปักเะไรอย่างงั้นมันปักไม่ได้หรือว่าการระลึกของคนบางอย่างเช่นว่าได้ยานแต่มันจํากัดคือมันมองในที่แคบๆมองในที่แคบๆ แ, แล้วก็เห็นเท่าที่เห็นอย่ไอ้กลนกเกิดอยู่ในสะจ้อยอย่างที่ว่าเนี่ยคือมันก็ตัดสินแบบกบในสะมันตัดสินไม่ได้เพราะว่าที่จริงนอกจากสะเรายังมีที่อื่นอยู่อีกมากความวิจิตรความสวยงามน้ําท่าอะไรตัวอะไรมันยังมีที่อื่นอีกแยะเนี่ย เราจะตัดตัดสินเฉพาะในแวดวงสระนั้นไม่ได้ต้องมองปัญหาในลักษณะที่กระจ่างชัดบางครั้งบางคราวเราเราก็ไม่มีพื้นฐานความรู้ที่จะไปวินิจฉัยตัดสินอะไรได้ก็ต้องเทียบเคียงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมันมีหลักฮะมันมีหลักให้จับอยู่ตลอดเลยเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ว่าจริงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ขอให้บอกตัวเรียกมาแล้วจะเช็คที่บัตติบิดดกขั้ได้ว่าตรงนี้พพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไงเพราะว่าการตามความเป็จริงพฤติกรรมของคนรองก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ซ้ำซ้อ่ะมันก็เกิดมาถึงตั้งตั้งตั้งแต่เกิดมาลองดูพฤติกรรมเราก็ซ้ำๆ้ำอ่ะไม่มีอะไรทํางานซ้ําๆำสักๆพฤติกรรมก็ซ้ําๆำสักๆแล้วก็เหมือนกันในคนในยุคใดสมัยใดก็ตามก็มีความซ้ําๆำสักๆอยู่การกระทําความชั่วความผิดของคนก็ส่วนมากแล้วก็ไม่ได้อยู่นอกของอกุศลกรรมบุ ไ่ได้อยู่นอกอกุศลกบทลองดูนะครับสมมุติว่าเราอาจจะไปฆ่าสัตว์แต่ว่าเบียดเบียนสัตว์ประทุษร้ายสัตว์ทำให้ ส, ส, าสาัตว์บาดเจ็บทรมานทรกรรมมันก็คืออยู่ในข้อนั่นแหะอยู่ในข้อเดียวกันนั่นแหละในรายละเอียดที่ทรงจําแนกแสดงออกไปดังนั้นเรื่องมหากรรมวิพัง์กสูตรเป็นการจําแนกแสดงกรรมในแง่ที่บุคคลจะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบคือไม่ไปยืนยันอะไรมากจนเกินไป แต่อย่าลืมว่าไอเหตุผลยังตรงตัวเหมือนเดิมนะฮะคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ว่าอย่าเล็งว่าคนคนนี้ตายไปจะต้องเกิดในตกนรกเพราะกรรมในปัจจุบันของแกมันไม่แน่แอาจจะเกิดในอดีตก็ได้ในในขณะก่อนจะดับจิตก็ได้หรือเกิดในสุคติแน่นอนว่าเป็นผลจากกรรมดีแต่กรรมดีนั้นอย่าไปเน้นเฉพาะปัจจุบันเห็นไหมฮะไอไอไ อ, ไอเหตุกับผลยังตรงตัวอยู่นะยังตรงตัวอยู่แต่ว่าการที่แกไปเกิดนั้นอย่าไปเน้นเฉพาะปัจจุบัน อาจจะเป็นเรื่องอดีตอาจจะเกิดขึ้นในปั๊บก่อนจะดับจิตก็ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าคนเรานั้นมีกรรมเป็นของของตุจะต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผอมพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้ก็ตามการรมจะเป็นตัวจําแนกเป็นตัวแบ่งแยกให้คนมีความเลวมีความประณีตแตกต่างกันทั้งในปัจจุบันในชีวิตประจำวันในปัจจุบันและทั้งในการภายภาคหน้า ซึ่งกฎเหล่านี้เป็นกฎสากลนะครพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้สร้างกฎแต่ว่าเป็นกฎเป็นเงื่อนไขาตามธรรมชาติธรรมดาเพราะเอาก็จริงพระพุทธเจ้าเองก็ห้ามกรรมที่จะเกิดขึ้นแก่พระองค์บางอย่างไม่ได้นะครก็ห้ามกรรมไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติดังนั้นเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาแล้วก็พิจารณาแต่น้อก็ปรับใจให้ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงสดแสดงเอาไว้ แล้วก็โดยละเอียดพิสดารพรุธศาสนามีลักษณะเป็นกรรมมนิยมคือถือว่าสิ่งทั้งหลายจะดีจะชัว่วเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมไม่ได้มีเหตุปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกสมมติม่ามีมันเป็นเพียงองค์ประกอบเท่า น, นั้นเด็กส่วนเรื่องของกรรมเนี่ยคงจะต้องต่ออีกสักเที่ยวนะก็สมหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อนมทนา